วานี้นะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้าเล่าพวกเราอาจจะรู้สึกว่าโชคดีที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่เรารู้จักก็คือว่ารถโรงเรียนมารับเด็กอนุบาลแล้วก็พาไปโรงเรียนพอไปถึงโรงเรียนนะ เด็กก็ออกจากรถคนขับก็นึกว่าเด็กออกหมดแล้วนะก็เลยปิดประตูล็อกรถเพราะว่ามีเด็ ก, กอายุ4ขวบคนหนึ่งนอนหลับอยู่นะที่เก้าอี้หลังนะคนขับก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบให้รอบครอบ กว่าจะมารู้ก็ประมาณเที่ยงเที่ย ง, งบ่ายแล้วเปิดประตูรถก็ไปเจอเด็กเข้าเด็กก็แน่นิ่งไปแล้ะขาดอากาศหายใจเรื่องแบบนี้ก็ปีที่แล้วก็มีข่าวนะรถโรงเรียนเหมือนกันนะที่สมุทรปราการมารับเด็กแล้วก็ ไปส่งที่โรงเรียนก็ไปดูให้รอบครอบรถนี้ไปตากอยู่ไ ป, ไปจอดอยู่กลางแดดด้วยบอกว่าเด็กก็โดนแดดเผานะตายเหมือนกันถอยหลังไปอีกนะก็มีแบบนี้อีกนะเรียกว่ามีทุกปีนะอันนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนขับรถโรงเรียนนะบางทีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เองก็ก็เผลอเหมือนกันนะแม่นี่ก็พาลูกนะใส่อ่นั่งเบาะหลังส่วนตัวเองก็ไปห้างสประสินค้าวันนั้นมันเป็นวันเสาร์วอาทิตย์ปกติก็มี คนที่เลี้ยงดูแลแต่สาววัธินี่ตัวเองก็ดูแลลูกเองลูกตัวเองไปซื้อของก็ต้องพาลูกไปด้วยแม่นี่พอไปถึงห้าสพสินค้าเป็นที่จอดรถแบบบิ๊กซีนันนะ่ะนะเป็นที่จอดรถ ล, ดลานกว้างๆ ก, งก็จอดรถแล้วก็ก็ลงไปใจเนี่ยคิดแต่เรื่องว่าจะซื้ออะไรเพราะว่ามีงานเลี้ยงที่บ้าน ตอนกลางคืนรายการซื้อของยาวเหยียดเลยนะต้องรีบทำเวลาพอถึงห้าสนคก็จอดรถแล้วก็รีบลงไปไปซื้อของจตลาดลืมลูกไว้หลังรถนะเบาะหลังนะซื้อเป็นชั่วโมงพอมาถึงรถก็ตกใจนะลูกก็แน่นิ่งไปแล้ว เหตุการณ์แบบนี้นี่เกิดขึ้นน ะ, ะซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่โด น, นบางที่นี่บงังอย่างกรณีล่าสุดนี้เจ้าของรถคนขับรถก็โดนข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาทหรือว่าประมาทจนเป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่เสียชีวิตนะมานึนกๆดูนี่คนเรานี่ ถ้าหากว่าทั้งชีวิตนี้ไม่เคยฆ่าใครเลยหรือว่าไม่ประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นถึงกับความตายก็ถือว่าเป็นโชคดีนะถือว่าเป็นโชคดีถือว่าเป็นความสําเร็จของชีวิตอย่างหนึ่งนะที่อยู่มาตลอดชีวิตนี้นอกจากจะไม่เคยผิดศีลฆ่าใครตายแล้วก็ยังไม่ประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่ความตายได้ เพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่มันคนเรานี่มีโอกาสที่จะทำให้คนอื่นที่ความตายได้ไม่ได้ตั้งใจนะแต่เพราะความประมาท <Yeah. S 1> ไม่ใช่แค่ขับรถแล้วก็ลืมลูกเอาไว้หรือลืมลูกคนอื่นเอาไว้ในรถนะแต่บางทีถอยหลังถอยหลังจอดรถไว้ในบ้านแล้วก็ถอยหลังหรือว่าเพราะว่า แทนที่รถมันจะถอยหลังมัน ไ, ไปข้างหน้าก็ไปชนเด็กตายหรือว่าถอยหลังแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเด็กอยู่ข้างหลังนะก็โดนรถทับตายไอ้แบบนี้ก็เป็นข่าวอยู่นะบางทีถอยหลังแล้วก็คนอาจจะเป็นเด็กเป็นลูกเป็นพ่อถูกอัดก๊อปปี้กับประตูรั้วนะ หรือไม่ก็บ้านนี้เขากำลังซ่อมไฟนะเขาเาก็าาก็ปิดไฟนะเอาสะพันไฟลงเจ้าของบ้านนี้หรือว่าลูกในบ้านนี้ไม่รู้นะก็ไปเปิดสะพันไฟช่างก็โดนไฟช็อตตายหรือว่าเละนะ ทำให้ไฟไหม้ไฟช็อตไฟไหม้ก็ทั้งระแวกบ้านโดนไฟไหม้บางคนหนีไม่ทันก็ตายพวกนี้ไม่ได้ตั้งใจทั้งนั้นนะแต่ว่าเป็นความประมาทนะคนเรานี่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ทั้งนั้นเพราะว่าในยุคปัจจุบันมันเป็นยุคที่ เราแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีทั้งรถยนต์ทั้งไฟฟ้านะสารพัดคนสมัยก่อนนี่ที่จะประมาททำให้คนอื่นตายนี่ยากนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรเท่าไหรนะ่สิ่งที่อย่างมากก็มีวัวมีควายมีช้างนะอาจจะ บังคับช้างไม่ทันช้ามมันไปกระทืบคนตายอันนั้นเนี่ยเป็นไปได้เป็นเหตุให้คนตายโดยประมาทโดยเลืนเล่อนะแต่ม่นน้อยมากนะสมัยสมัยในสมัยก่อนเนี่ยแต่สมัยนี้นี่มันเป็นไปได้ทั้งนั้นเนะี่ไอการที่ทาให้คนอื่นตายโดยประมาทให้หลายคนนี่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วนี่ มันกลายเป็นตาบาาไปช่วยชีวิตเลยเช่นขับรถชนคนตายเพราะความเมาหรือว่าเพราะขับรถเร็วเกินไปไม่ได้ตั้งใจนะแต่เกิดขึ้นแล้วก็มันกลายเป็นความรู้สึกผิดติดค้างใจไม่มีความสุขบางทีพอจะตายนี่ก็ไปหวนคิดถึงเหตุการณ์เหล่านี้ก็ทำให้ตายไม่สงบก็มี อันถึงบอกว่าถ้าทั้งชีวิตนี้นี่ไม่เคยฆ่าใครตายแล้วก็ไม่เป็นเห็นได้ใครตายด้วยความประมาทนี่ถือว่าเป็นโชคถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งนะเพราะโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนี่มันมีตลอดเวลาในยุคปัจจุบันสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะเกิดเกิดขึ้นได้จากความประมาทเกิดขึ้นได้จากความเลินเล่อความไม่มีสตินะ นั่นสตินี่สำคัญมากนะเพียงแค่ดูแลสิ่ ง, งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องให้ดีขับรถก็ตามเกี่ยวข้องกับน้ําไฟก็ตามนะดูแลให้ดีนอกจากจะไม่เป็นภัยกับตัวเองแล้วก็โอกาสที่จะไปสร้างปัญหากับคนอื่นก็มีน้อยลงไปแล้วคนเรานี่บางทีเพียงแค่ไม่มีสติคือ เผลอเลินเล่อเพียงชั่วขณะเดียวมันกลายเป็นสร้างตราบาให้กับชีวิตไปจนตายแล้วก็มีนําถ่ายถอนยังไงก็ถ่ายถอนได้ยากอันนี้ยังไม่นับนะไปเห ย, ยบแมวตายเหยียบหมาตายนะอันนั้นนี่ก็โอกาสที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็มากเหมือนกันขับรถชนหมาตายขับรถชนแมวตายอันนี้ตัดเอาไว้ก่อนเอาแค่คนก็พอนะ แค่ไม่ประมาทให้เป็นให้คนอื่นตายนี่ก็ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้หรือหลอดพ้นได้นี่ก็ถือเป็นโชคอย่างหนึ่งทีเดียวเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามีเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนั้นตั้งใจนะมีสติให้ดีนะ เ, เลิศเล อ, เ, ลอเพลอเพียงแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีนี่ก็ มันก็สร้างนะความทุกข์ไปได้ตลอดชีวิตเหมือนกันแล้วก็เตรียมรับพร